ประการับล่าวตรมวั ก, การมีความเมตตานะครับคราวนี้เนี่ยผมทำงานที่จะต้องมอีมีผู้หญิงอยู่มากมายนะครับมีแ <c oughs> วดล้อมด้วยนะครับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอิจฉาริษยาดินทากันอย่างเงี้ยหรือก็ว่าเกี่ยงงานกันอย่างเงี้เราจะมีวิธีในวิธีไหนในการที่จะใช้ธรรมะของพระพระทุทธองค์เนี่ย ในการดับไอความอิจฉาห ร, หรือนินทาของลูกน้องหรือว่าเพืหอนรงานของเราได้ครับพระอาจารย์ครับอ๋อนี่มีผู้หญิงมาผู้หญิงอิจฉากันมากเลยแล้วยังไง <c oughs> อ๋อแล้วยมมีเจอปัญหาเดียวกันมา้างหรือเปล่าน่าลองให้ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในในที่ทำงานนะครับในแต่ละแต่ละเที่ยวมันจะจะหลากหลายครับก็มีครับแต่ว่าพยายามจะวางใจนะครับว่าคนเราไม่เหมือนกันนะครับแล้ววางใจยังไงคือว่าคนเราเท่านั้นเองนะครับก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ครับก็วางไว้ไว้ตรงนั้นนะครับเพราะก็ไม่เจอใครแล้วก็วนไปอย่างนี้ตลอดนะครับ เพราะว่ามันทุกที่ทํางานมันมคนปนัญหาขงคนมันมีทุกทุกที่ครับเราไม่สามารถไปอะไรก็ได้นะครับอคือมองมองเด็ดภายนอกครับมองมองแบบมองดูแล้วเราก็มามาพึงสังวนกับตัวเองว่าถ้าเราเป็นแบบนั้นบ้างคงจะแย่เหมือนกันเนะาะจริงๆงั้นนะครับปล่อยปัญหาไปคือมองอยู่รอบๆนะครับสรุปก็คือว่า คือถ้าเราเราคืออย่างงี้นะถ้าเราสามารถเรามีเราสามารถที่จะได้พูดคุยกับเขาหรือการที่เรามีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลบางส่วนหรือรับผิดชอบบางส่วนถ้ามีโอกาสที่จะสนทนาพูดคุยต้องให้มุมมองให้วิธีคิดการให้มุมมองให้วิธีคิดเนี่ยเพราะชีวิตที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกันเนี่ยสำคัญมาก ก็หมายความว่าหนึ่งให้เขารู้จักคําว่าการทํางานของพวกเราเนี่ยเออทำเพื่ออะไรต้องให้เขาเข้าใจว่าไอโดยตรงกับโดยอ้อมเนี่ยมันคืออะไรให้แยกให้ออกเช่นเป้าหมายของการทํางานเนี่ยถามว่าถ้าเราเอาเงินเดือนเป็นตัวตั้งว่าเป็นผลโดยตรงของการทํางานหรือเอาทักษะเอาความรู้เอาความสามารถการมีความสุขกับการได้ทํางาน อย่าลืมนะว่าการทํางานด้านการบริการเนี่ยมันต้องเข้าใจเรื่องทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลใช่ไหมโดยเฉพาะอภิญญานะอ่อนน้อมถ่อมตนต้องเข้าใจวัยาวจะประพฤติประโยชน์ปฏิทานะการให้การให้ส่วนบุญหรือการให้ความรู้สึกที่ดีๆทั้งหลายอันนี้ต้องชัดเลยเั้นคนที่จะทํางานเนี่ยโดยเฉพาะคือเมตตากายกรรมต้องต้องดีเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องงานการบริการใช่ไหม งานการบริการทั้งหลายเหล่านี้เราต้องบอกเขาบอกว่าการที่เราได้ทํางานเนี่ยมันฝึกอะไรฝึกทักษะความสามารถพัฒนาบุคลิกภาพอะไรก็ว่ากันไปเถอะแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราได้ประพฤติประโยชน์ได้ข้นขวาย ใ, ในการที่จะประพฤติประโยชน์หน้าที่อ่ะหน้าที่ที่วางหลักไว้น่ยเป็นชั้นของกุศลศีลนะเจตนาที่เราจะช่วยหรือเจตนาที่เราจะปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่เรารับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยโดยโดยเป็นไปกับกุศลในฐานะที่เราเป็นถ้าเราเป็นอุบาสกของพุทธเจ้าเนี่ยชัดเลยพุทธเจ้าสอนหลักการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นเขาเรียกวิยาวจักเนี่ยการขวนขวายในประโยชน์ที่ชอบในประโยชน์การขวนขวายในการประพฤติประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าความสุขมันเกิดขึ้นจากการได้ประพฤติประโยชน์ได้ประกอบความดี ให้มองวันเป็นบุญทั้งนั้นเลยการที่เราได้ช่วยคนเนี่ยได้ช่วยให้คนที่เขาได้รับความสะดวกสบายทั้งการดูแลด้านการบริการด้านอาหารด้านที่อยู่ด้านที่พักให้ความสะดวกสงเคราะห์อนุเคราะห์การช่วยเหลือการบอกข้อข้อของใจที่เขาตีบตันเขาไม่สามารถจะคิดได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก ให้น้อมนึกว่านี่ไงเป็นกุศลที่ได้ทำแล้วจะได้เป็นการพัฒนาความคิดของตนเองพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่กุศลมันเกิดอย่างนี้แล้วมันมีความสุขจากการได้ทำไม่ใช่สุขแบบโลภะมันสุขว่าเราได้เจริญกุศลเราได้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามวธรรมคำสอนของพระาศาสดาแล้วและการกระทาของเรานั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วย ในฐานะเป็นอุบาสกรหรือเป็นอุบาสิกาแต่ทรับเนี่ยเงินเดือนเนี่ย น, นั้นมันเป็นข้อตกลงกันระหว่างเรากับบริษัทมันจะขึ้นจะลงมันก็แล้วแต่กติกาคุณอย่าเอาความสุขไปไว้กับเงินเดือนถ้าอย่างนั้นกว่าที่คุณจะมีความสุขเนี่ยมันต้องรองเงินออกเป็นงวดหรือเป็นเดือนเนี่ยมันนานเหลือเกินอันนี้มันเป็นผลโดยอ้อมผลโดยตรงก็คือความสามารถเพิ่มขึ้น ทักษะความรู้ความเข้าใจในงานในวิชาการหรือในเรื่องราวขงตนเองเนะี่ยคล่องแคล่วมากขึ้นชนํชนานิชํานาญมากขึ้นการให้บริการเน่ยเข้าถึงคนเข้าถึงจิตใจของเขาได้มากขึ้นช่วยเหลือคนได้มากขึ้นพัฒนาศักยภาพชีวิตของตนเองได้ดีขึ้นแล้วก็ได้ความสมัครสมานสา ม, มัคาคีเพิ่มขึ้นได้ความรู้ได้ความเข้าใจและการอยู่กันด้วยความรักเนี่ย ประเด็นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงว่าในองค์กรในสิ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยการให้เนี่ยกับกลายเป็นความสุขแต่การตําหนินะแต่การตําหนิหรือการที่เราจะมาขัดแย้งกันเนี่ยกับกลายเป็นความทุกข์เลยนะถ้าเรามองอย่างนี้การทํางานกับกลายเป็นการพัฒนาทีนี้ถ้าทุกคน ที่อเผอิญก็คือเราไม่ได้ให้เขาแยกแยะว่าผลโดยตรงนั้นคือตอนเองได้กุศลทุกวันแล้วก็เพิ่มความรู้เพิ่มเพิ่มความเข้าใจแล้วทำความชำนาญในงานในเรื่องนั้นให้ให้คล่องตัวขึ้นและการบริการของเรานะั้นน่ะยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งไพศาลมากขึ้นอันนี้เป็นผลโดยตรงความสุขมันต้องได้จากการทำงานตรงนี้ อย่าเอาความสุขไปไว้กับเงินไอ้ต้นไม้ที่มันเจริญงอกงามแล้วมีออกดอกออกผลนี่ผลโดยตรงค่าจ้างใต่การปลูกนะั้นมันผลโดยอ้อมถ้าเอาความคิดของเราเนี่ยไปไว้กับผลโดยอ้อมแล้วมันจะเสียหายที่สุดจริงๆเราจะไม่รู้จักเลยว่าอะไรคือความดีอะไรคือความสุขที่แท้จริงแล้วชีวิตทั้งชีวิต ก็จักไม่ได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงจากการได้กระทําหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบที่พระศาสด า, า, าวางหลักไว้ที่พระพุทธเจ้าวางหลักไว้มันก็ทํางานอย่างเซง็งอย่างเบื่อนายแล้วก็เป็นไปด้วยการเกลี่ยงกันเอารัดเอาเปรียบกันอิจฉาริษยากันมีการทิ่มแทงกันที่สุดจริงๆก็ ก, กลายเป็นการทําให้หน่วยงานและองค์กรนั้นอ่อนแอลงภาพลักษณ์ก็เสียภาพตัวส่วนบุคคลก็เสีย องค์กรรวมก็เสียที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปแข่งอะไรในเมื่อบุคคลในองค์กรไม่ได้เข้าใจเลยความดีหรือความสุขเนี่ยมันอยู่การได้ทำดีความสุขมันอยู่จากการได้ประพฤติที่ไร้โทษไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางวาจาไม่มีโทษทางจิตใจอันนี้ต่างหากที่เป็นความสุขสูงสุดความสุขสูงสุดไม่ได้อยู่ที่เงินไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์ไม่ได้อยู่ที่ตาแหน่งหน้าที่การงานนะ ความสุขสูงสุดมันอยู่ที่การได้ประพฤติสิ่งที่ที่เป็นบุญเนะ่ยสิ่งที่ประพฤติที่ไร้โทษต่างหากก็ชี้แจงบอกเขาอย่างนี้อย่าบอก